จึงมีการสนับสนุนให้นำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันทั่วไปว่าโดยสาระสำคัญสติปัฏฐานสบอกให้ทราบว่าชีวิตของเรานี้มีจุดที่ควรใช้สติคอยกำกับดูแลทั้งหมดเพียงสี่แห่งเท่านั้นเองคือร่างกายและพฤติกรรมของมัน 1. เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ต่างๆ 1. ภาวะจิตที่เป็นไปต่างๆ 1. ความคิดนึกไตร่ตรอง 1. ถ้าดำเนินชีวิตโดยมีสติคุ้มครองณนะจุดทั้งสี่นี้แล้วก็จะช่วยให้เป็นอยู่อย่างปลอดภัยไร้ทุก์มีความสุขผ่องใสและเป็นปฏิปทานำไปสู่ความรู้แจ้งอริยสัจธรรมจากข้อความในคำแสดงสติปัฏฐานแต่ละข้อข้างต้นจะเห็นได้ว่าในเวลาปฏิบัตินั้น ไม่ใช่ใช้สติเพียงอย่างเดียวแต่มีธรรมข้ออื่นๆควบอยู่ด้วยธรรมที่ไม่บ่งถึงไว้ก็คือสมาธิซึ่งจะมีอยู่ด้วยอย่างน้อยในขั้นอ่อนๆพอใช้สำหรับการนี้สมาธิขั้นนี้เรียกว่าวิปัสนาสมาธิอยู่ในระดับระหว่างขณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะกับอุปจาระสมาธิสมาธิที่จวนจะแน่วแน่ ส่วนธรรมที่ระบุไว้ด้วยเป็นประจำได้แก่ 1. อาตาปีเท่ากับมีความเพียรได้แก่องค์มรรคข้อ6คือสัมมาวายามะซึ่งหมายถึงเพียรระวังและเพียรละความชั่วกับเพียรสร้างและเพียรรักษาเสริมทวีความดี 2. สัมปชานโนเท่ากับมีสัมปะชัญญะคือปัญญา